<c oughs> นั่นตามสบายของใครของเราข้าไม่สบายจะกระลับตาลงยังมาดูปากกระปุกดูจ น, นเดียนเพราะว่าตนในที่นี้หมายถึงดวมจิตดงใจของใครของเราดูจ น, นเดียนจะส่งสิดมาที่นี่วันนี้ประมานปีห้าในข่าวข้มวา มาจากโบราณโบราณคืออะไระคืออ่นอาจารย์สวงคือหลวงปูสวงกระไรอายุท่านกือบแกว่ามีแบบหมดอายุวันที่เดือนห้าแต่พวกเราอัต้องก็จะบไปลอยไปเหมือนกันนะในไหนก็จะไปไปที่เดียวกันทั้งหมดเพราะว่าคนสกุร่างกายนี่มันมีอายุ ยาม่าจะไหว้ปีเรื่อยๆปกปีกแตกแล้วผมก็ได้นั่นหนพวกราองกันฟังพวกใจที่พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกร้องแนะนาให้พวกราสร้งางงามความดีเอาไว้ตั้งต้นตัน้งแต่การพิธานการรักษาศีลการเชิญเมตตาภาวนานจกนที่นี่ก็การพิธานพวกเราเข้าใจกันเนี่สมานุมานานเนี่ย ว, วิธีการพิธานจะทำวิธีการให้ กูพ้นที่แรกจาการนิทานตันี้ตักเราก็เข้าใจลเลยเลยได้ศึกษาฟังมาจากครูบาอาจารย์ที่นี่อันดับต่อไปคือสิ่สิ่งพวกเราเ น, น, นี่เป็นยังไม่เข้าใจว่าสิ่อยู่กับตัวเองเวลาจะทำททพิธีต่างๆก็ปะิรูปเรื่องพราะสมทานสิ่งที่จริงเรื่องนีย คำคิดว่าศีลนที่นี้หมายถึงที่พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนทุกนตัวเราเป็นพราา่าชาจาจินทรีห<ม>้าสัดศีลแปัดศีลบรสถทธ์เนี่ยคำคิดว่าศีลนที่นี่ทาไมท่านจะให้รักษาถ้าไม่ ถ, าไ ม, า, ถ, า, ไมถาไม่รักษาไม่เป็นอะไมันมันไม่เป็นศีลเมื่อไม่ไม่เป็นศีลไม่เป็นอะไรถือไม่ต้อเ ป, เ, ปนนเป็นบาเป็นกรรม บาปกรรมนี <unlucky S 2> ่ขามันานเข้านานเข้าทังานเขาก็ให้ให้ซื้อให้นำี้อันหนึ่งว่าเวีนไม่หมดเจ้ากรรมนายเวียนจถามว่าเจ้ากรรมนายเวียนอยู่ที่ไหนสิเจ้ากรรมกับจิตใจเรานี่เเป็นเจ้ากรรมเจ้าเวีนกับจิตใจเขากเราเนี่ยเป็นเจ้าเวนเพราะจิตใจนี่ยไปสั่งสั่งแล้วก็ใส่ใส่ร่างกายไปไปทำแล้วจากนั้นก็ต้องให้รักษากายกรรมสาม วากีกำศีมโนกำสามกำเกิดขึ้นทางกายกำเกิดซึ้นงวาจากำเกิดขึ้นทางใจทั้งกำดีกำชั่วที่คือกำดีก็ให้ผลเป็นสุขกำชั่วให้ผลเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นกำดีก็คือบลตัวผลกำชั่วก็คือบาปตัศผลที่ถ้าพวกเราลงมือปฏิบัติรักษาสิ่งเมื่อเรารับเอาไปตั้งคนรักษาสิ่รักษาไปทุกวัน ทับุญทั้งกุศลมันจะ <c oughs> เกิดขึ้นไปตลอดเมื่อเราสร้างถนนวิถีทางให้ผู้คนเที่ยวสัญจรไปมาที่ใครก็าาตามที่มาใส้ถนนตามที่เราสร้างขึ้นมามนเราเอาบุญกระเป๋าทงหมดทั้งสัตว์ทั้งบุคคลอันนี้คือยาย่อย่างเดียปันถ้าเรารักษาในื่ศ<ม><ๆ>ีลนี่ยเมื่อรักษาไปรักษาไปรักษาไปมันนานเข้านานเข้านานเข้าถ้ามันเป็นศีลละไม่ต้องรักษาก็ได้ไม่ต้องรักษาก็ได้ถ้ามันเป็นศีลจริงล่ะ มัสินสินห้ากดีสินแปดโกดีสินสิบโกดีสินส้อยยี่โกดีก็จะมีสินตัวเดียวคํา่าสินตัวเดียวอยู่ที่ไหนคํามาสินตัวเดียวก็คือ้นวิโรธนจิตใจของพวกเราเป็นปกติเป็นปกติเป็นประชินเมื่อกิจใจเป็นสินสิมันตัดจไปทำทีนี้ทำมันเดียวกันเมื่อเมื่อกิจใจไปทามันจะเกิดเมตตา สงสารบุคคลอื่นสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เขาให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเที่เขาตกทุกข์ยากปรารถนาเขาค้นจากทุกข์เมือเขามีความความทุกข์ก็ท่าช่วจะช่วยนะท่านรงมือไปช่วยเขาเพราะฉะนั้นลการไปช่วยบุคคลอย่นส่นมันก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการบุญเดทานจะให้ศักสม์ส่งไปมากๆเพราะว่าเราจะได้อาศัยบุญกศลในเราไปอนาคตคำว่าคำว่าคำว่าอนาคต ในที่นี้หมายถึงอนาคตก็คือพบหน้าสาตวหน้าเราจะเกิดขึ้นไปสตลอดไปถ้าตามใจจิตใจยังไม่เบื่อในการเกิดการเจริญเจรการตายเมื่อใดก็จะเกิดเริ่มไปมันมีที่จบที่สิ้นนี่ถาย้อนหลังแล้วจิตใจแต่ละดวงเป็นขอครของหล่อนถ้าย้อนหลังอะมันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยซึ่งแต่พวกเราไม่รู้ก็ควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าวันที่ท่าน จะเลืกตัดสะลุทามาี่านจิตูกจนจริงดิคท่านท่านได้มาปฏิบัติท่านช่วงทานอธิษฐานจิตะไรโคนรนคนคนโคนประเทอินเดียอธิษฐานจิตถ้าไม่ได้ตัดเป็นเป็นคนพุทธเจ้าจะไม่ลุกนีจากที่นี่ร่างกายเนื้อน้ำบงสัมผัสจริงเนี่ยแคนได้ไปสนใจเพราะท่านเสียสลเต็มที่ี่นี ท้องท่านจังนึกได้ทำที่ท่านาปฏิบัติครั้งแรกช่ว ง, วงพระภาคิดาของใจพระจุตัวธนาพาไปแรกงานขวัญที่เด็กท่านเป็นนัง่งอยู่ได้ร่มวาดส้ม ป, ปูจิตองท่านสงกรวมรมตั้ ง, ง, ง, งแต่ตาวันเชียงจนบ่ายจนจะักผ้าทิ่จะหัดจะดองจะผาทิศผ้าทจะเข่าเงาเลยตั้งอยู่ที่เดิมวัวท่านมันเลือถึง การทำที่ท่านได้กระทำขั้นนั้นคือท่านได้กาหนดลมหายใจพอท่านนึกได้ว่าเราไปปฏิบัติพอท่านมากักกาหนดลมหายใจเข้าไปปักหนึ่งจิต ก, ก็ได้รวมรกมขรวมรวมถึงขีดพอจิตรวมลงไปจะเกิดยานความู้ขึ้นมาว่าภูเพนิบาสานุสติสยันตร ล, ลึกทราบผลหลังได้มื่นซาแสนซาตอนันตะซาเป็นเป็นสันติรัชาน น้อยเึิงกงลบแรกจับใหญ่เพิ่งาในท้าการเกิดเป็นหมดทุกตัวยพนพว ก, ษษพวกเรายจถ้ารู้มาก่อนพวกเราแล้วพวกเราถ้าไม่ลูกกับวรจะเส่ยท่านแน่นอนไม่ต้องสงสัยแ้าเกิเจ็อตายพวกเราเกิดมานานแล้วมก็แน่าานนยังจะเกิดต่อไปข้างหน้าถ้าไม่เบืเ่อที่นี่ที่ที่เรามามาปฏิบัมารักษาศินเพื่อรักษาศินให้ไม่นกกสินีแล้วอันดับต่อไปท่านให้ทัานใจภาวนา ภาวนาทำไมท่านท่านเนี่ยร า, า, าไม่ภาวนาภาวนาแปลว่าทําให้เกิดให้มีให้อะไรเกิดขึ้นให้อะไรมีขึ้นให้บุญกุศลเกิดขึ้นและให้สติเกิดขึ้นให้ปัญญาเกิดขึ้ น, น<ม>ั่นเกิดขึ้นสร้างสติสร้างปัญญาเพื่อจะตามหาตนของตนให้ให้มันรู้มันเห็นเรานี้มันไม่เห็นตน <ừ. S 1> เมื่อกินไม่เห็นตนเจนในคำไม่กิออนอวบสกปรลร่างกายเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เปนจริงๆเราไม่ไม่ใช่อวสกลรนร่างกายของกรวอเนี่เป็นก้อนธาตุต่างหาก ก้อนดินก้นน้ำก้อนไฟก้นลมลรวจิ้งแรียกกัรวมกันทั้งสี่ธาตุที่มองเห็นด้วยตามีแต่มีแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำไฟกับเป็นน้ำทำมันมีตัวมีตัวความร้อนลมก็ไม่เป็นตัวเป็นตัวมองมองไม่เห็นอยู่พิษน้เป็นน้ำทำที่มองเห็นด้วยตาน่มีแ่ดินกับน้ำเพราะฉะนั้นละใจของเรามายิดเอาธาตุสี่าเป็นตัวเป็นตัวไม่เป็นคนถูท่ายใจของเราจะเลยไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่เมื่อตัว ทีนี่ทีมันรอเป็นทุกข์เป็นรอดอยู่ในปัจจุบันปีเตอแต่แตแตและดวงเึกถึงนี่แหละโกว่ามาหาปัจจัยเกี่ยวกับมาอาศัยสติสัพปญปาหาหาทรอาสมบัติหาปัจจัยมาบำรุงเหมือเดิมเพื่อเรียนรู้กูเสือร่างกายเพื่ออยู่รอดเป็นวันทั้งนั้นจุดท้ายมันก็จะแตกเพราะมันมีอายุยาวมากเป็นรอปีเรื่อยๆกว่าปีนก็แตกแล้วที่นี่เมือ่อจะคู่ที่เราพวกรเรประทานอาหารผ่านเข้าไป อยู่ในข้าวมเมล็ดเดียวพบทั้งสีธาตุมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไส้ลมบนละหมากลากไม่พบทั้งสีธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไส้ทุกอย่างที่นี่เวลาพวกเราเคีย่ยวคืนลงไปดินก็ไปยาดินน้ำไปยาน้ำไส้ไ ป, ปยาไส้ลมไปยาลมสันกติคือพวกสื่อก่อไม่ให้มันแตกมันดับสุดท้ายมันต้องให้อยู่เพราะมันมีอายุมันแปรปวนเปลี่ยนแปลงโดยตลอด เร่องแรกที่เราเอาเขึ้นมาเรื่องแรกข้าพเจ้าที่ิอยู่ในคันมันดานเป็นอยู่ในช่องช่องเม็ดเรืกอกกับเป็นกะละละมับเป็นอภูธกลับเป็นเปสีแะ้วก็เป็นน้ำมันแล้เป็นก้อนเลือดแล้วก็เป็นประจักษ์สาขาหห้าหงขอแองหอยู่ในช่องเม็ที่ในแก่มาโดยลาดับว่าเป็นเด็ดเป็นแรกมา เลยกเด็กตดแรกก็าเป็นเด็กงเรียนออกอันดบเด็กนั้เรียก็เป็นเด็กนักศึกษาเลยเป็นกเป็นหนุมปาวเป็นกลคนเลยเป็นเป็นคนแก่คนชราน่มันแปรไปโดยลาดับเพราะฉะันเนีมันไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนแปลงที่นี้พระพุทธเจ้าเป็นว่าสิ่งใดมันไม่เที่ยงสิ่งใดมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งนั้นมันเป็นทุกสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตนสรุปเร็วตนของตนจริงๆน่ะมันไม่มีอะไรอ่นนอว่า ก็ปกติแล้วแต่วันแต่วนไม่ไบริบันงว่าบริันึ่การมาสร้างสติสร้างัญาถึ่นวาขึ้นม า, เนมาเน่เพื่อจะตามหาตนของคนทารลุมัานไม่เห็นงว่พระพุทธเจ้าใช่ไ่มผู้ได้เห็นตนผู้นั่งเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นดงเห็นเราจะาทาบทำในที่นท ใ, ใ, ในหทิงตกินัใจอันบริสุทธิ์ยะจะถามว่าพวกเราจะเป็นคาวาจะโยมมีแค่สิบหา้า จ, จะปฏิบัติจะรู้ได้เห็นได้ไหมไม่ต้องสงสัยเราขอให้ปฏิบัติ ในไวลาปฏิบัติจะไม่กลัวตายท่านถ้ากลัวตายเราไม่รู้จะไม่เห็นที่นี่จริง ๆ, ๆเลี้ยวแจิตใจไม่เคยตายจะเอาอะไรจะเอาอะไรมาตายจะเอาอะไรมาแตกจะเอาอะไรมาดับเพราะมันไม่มีรูไม่มีนั่งส่วนที่มันแตกมันดับแต่พธ่าทักษิีมันแ ต, นแตกแแตออกจากกันเ่ยๆมีชุดท่าแตจิตใจไม่เคยตายเม่เคแตกทีนี้ที่พวกเราพากันให้ท่านกรณีรักษาศีลกรีเจริญเมตตาภาวนากรีปารนาบา่ขอใ้การขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งวนิพพานในอนาคตจะการเมืองง่า คำที่ว่าพนธุ์พกคืนนพิธาข่วงเบื่อน่ทำไมมันไม่ใช่เบื่อเบื่ออะไรเนีเบื่อร่างกายตนเองเร่มเบื่อจิตใจตนเองหรือว่ามันหลงหลงมาเกิดมาแก่มเก็บมาตายมันยนโลกไม่ไมมีที่จบที่สิ้น ลงยินดีลงยินไล่ลงดีใจลงลงเสียใจหลงรักลงช่งลงโกรลวงเกียดมัจสารพัดอย่างนี่ถ้มัเกิดขึ้นหลยุ่ภายในสิตใจเพราะฉะนั้นหลวงูมั่นนี่ได้ว่าพูดเป็นภาษาอีสานไม่สงหกไม่หกพันงากระผมกล้าแล่นขึ้นมือละหน่อยกระผมหน้อยแล่นขึ้นมือละปั้น ไม่สมงบ ก, ก็บคือร่างกายพกของนอกนี่แหละไม่สมบพกผ่านางานหนึ่งคือตางานหนึ่งคือหูงานหนึ่งคือจมูกงานหนึ่งคือหินงานหนึ่งคือกายงานหนึ่งคือจิตใจนั่ น, น, นมันมารวมกันที่นี่ตากับอาตากับรูกหู ก, กับเสียงดังกับปีนลิ้นกับรถกายกับสวัสดี อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อาอาอาอาอาญาติภายในมีตาอาญติข้างอกมีลูกลูกเสียงกีนรถเก่งสวัสด ทั <ersch> <S <S ้งาในทั้งภายนอกภาในมันกระทบกันแล้วก็มาหัวกันก็เป็นสิบอที่นี่ก็สิบสองอดีตกับสิบออนาคตก็ิบปัจจุบันอีู่ก็1สิบรวมกันเป็นสิ3องสาเป็นสอดีต36กปัจจุบันสามคตยังไม่ถึงกับกรวมกันทั้งหมดเป็นตั้หารอยแป เราบว่าไม่เลยด้วยไปดูสัญหาคือควมอยากคมเช่ว่าทัญหาว่านัดดีสัญหาสัปดาหนาทีแม่น้ำเมื lonely, alike, ่อดยสัญหาไม่มีเนี่ยความอยากทำไมไม่น้องอยากกเพราะมันหิวทำไมไม่ต้อหิวเพราะว่าจิตใจมันไม่เต็มเพราะฉะนั้นเราจะให้มันปฏิบัติมาทําจิตใจให้มันเต็มให้อะไรเต็มให้สติมันเต็มให้ปัญญามเต็มให้จิตเมันเต็มให้มันหายอยากอยากไปในอะไรจะได้จะอยากได้อะไรจะอยากมีอะไร ความดีสุดก็คือใจอันบริสุทธิ์เข้าใจของเราแต่ในปัจจุบนันมันยัง ม, มันยังไม่บริสุทธิ์เพราะเรายังไม่ได้ลงมือ ท, ท, ทอาทาก็ทานิดๆหน่อยๆซะทำไปทำนิดๆหน่นนอยๆเพราะมันไม่เชื่อมันไม่มีศรัทธาเสียมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามือมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะก บาคามันนันมันจะพาดันให้พวกเรามาเกิดมาแก่มาเก็บมนตายอย่างนี้หรอกมันมีท <ten> ี่จบสิ้นเพราะฉะนั้นเช่นพระพุทธเจ้าใช้มันจะมาเรียงพระสูให้พวกเราป้ายกาวป้ายบูชาแต่ก็ต้องจำชาติใจต้อนกตูเหาุที่ให้ทุกตัวจะ่าชาที่ปีทุกขาสร้างภพเกิดชาที่ปีทุกทุกขาสรากปีสุกขาสุกขาเป็นภพแก่พระยาที่ปีสุกขาภพแก่ใครได้ป่วย มันจะนำปีทุกครั้งนี่ว่แตกตายทาไร้ขันนี่เพียงกระสุกปริเทวะทุกโทรมันนั่สูบไปยาสาปีทุกพาอัปีเยหิสไปโยโพตุโภปีเยหิวิปไปโยโพทุโยมิจฉาเนรตัตทุกั้งังเทนปตุปะทานคะาสุขาอีดังข้อริเวรุขาสโบโยอริสัญจมีชาสลามมนาโสกปาริเชนเป็นตัวสมุทยเป็นเหตุทุกข์ ดิฉันย้อนขบ้าภายในของเาเอีย่หน่งก้อนสะโพะกายของพุทธพวกลงพุทธ้พอล่ะของไครของรอนเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุทวกลื้อเข้าไปนในจิตใจของเราเนี่ยต้นตอเขามันเป็นตัวสมุทัยปเป็นเหตุทุกข์เกิดจำวาดมาพูดถึงเจ้าธรรมลู่ทำสามอย่างนี่ลู่ทุกข์หึงู้สมุทัยเห็นทุกข์เกิที่หนึ่งแล้วก็ููนโรดหรือว่าเห็นนี่โร ด, ดที่ความดับทุกข์นี่นุ่ลูสมุทัยนีโรด3มอย่างมันเป็นรทางเข้าไปจาทุกข์จังหวัดลู่สมุทัยนีโรดมัด กำที่ว่ามาณคือหัวทางก็ไปดับพวกนั่นไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าเมื่อพวกเราปฏิบัติเมื่อมันทุกขึ้นมาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตายอย่าไปรบจริงๆตใจไม่เดยตายมิตรร่างกายม่เจ็บที่เลื่อร่างกายถึมักเป็นสบมบัติของของกิเลส ข, ของวิชาตัญหามันหวงมันสอบมาเกิดมาแก่มาเ ก, กมาตายอยู่ในโลกมันมีที่จบที่สิ้นเพราะฉะนั้นเราควจะจอดจงมาสอนใ ห, ให้ให้พวกเรามาหอทาง ให้ให้มันถึงซึ่งถึงฝั่งคืงอพันธิบ้านหมันอยู่ในการเกิดการแจกการเกิาตยถ้าไม่เกิดไม่แจกไม่เจิดไม่ตายมันจะมันจะมาจากที่ไหน โมก่า่างกายไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีกายไม่มีสัญญาไม่มีกายไม่มีสังขารไม่มีกายไม่กายไม่มีวิญญาณไม่ก็หมดเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ดงดงธรรมเหลือแต่ดุงกิเลวนี่ของนี้ตรงอยู่ตรงนี้อย่าไปมองข้ามตัวเองโดยสมารนมองค้าตัวเองบ้านเราพูดน้อยวาสนาโน่ไม่ใช่วานะของเราพูดเพื่อปฏิบัตินะใจก็ตามข้ารู้ธรรรู้ธรรมสองอย่าง3ามอย่างจิตใจจะพิพะพ้าอะไรล่ะ าโซดานก่อนที่นี่ผ้าดีไม่ได้อยู่กับหัาลวผ้าเหลืองนี่ผ้าลวดเลื่อกับผ้าเหลืองนี่นี่้าทงวดทุ่งยังยังไม่ใช่ผ้าแท้ผ้าแท้แท่เนี่เจิใจถึงศีลถึงศีลถึงธรรมเห็นเห็นทุกโอเคนี่ยได้ทุกเกิดนีรวดกความรับทุกนี่รดกับนี้รวดอันเดียวกันีละทําไา่เห็นมากๆก็จะนีรวดนีจะหาทางทิ้งกายที่นี่สัมมาสมาทิฏปัญญาเห็นชอเห็นทุกธรรมทานนี่รวดมากข้อที่สอสัมมาสังกปโปะนำนิโซกนานิอ กรรมดีกิจกรรมจะถามว่ากรรมอยู่ที่ไหนก้อนสะโพกและการดีก้อนกรรมนาอย่างดีมิจรรกรรมกตจกรรมกับกรรมนั่นบ้านหลังนี่กกรรมรถตาข้าเก่งใช้ไว้ใช้ทุกิ่งทุอย่างทรัพสมบัติที่มีอยู่โลกมิจกรรมกับกรรมทั้งนั้นการเปรี้ยของร้อนการเปรี้ไฟไฟอะไรล่ะไฟราคาความนาดีดีในลูกในเสียงในกลิ่นในรถในเครื่งสปไฟทุกาสคือพมโปรดไฟโมหะคือฟองของดัมันเผาที่ตลอดเวลาอาการ์ที่ไม่รู้ว่าไฟไม่ทนท่านที่สอให้นำาตัวอภิชาคือควมรู้ ลูกอูไม่ลูกรกๆลูกไปเรียนมาจบด็กเตอร์ด็อเกมาจบมากัมามาบริหารมาบริหารร่างกายตัวเองแล้วแล้วบุคคลที่อยู่รอบข้างแล้วก็พวกญาติพวกพวกมีพันพ้องหรือประเทศาติบ้านนึงมหาเอามามามาบริหารเพื่ออยู่รอบๆกันดท่ายุคปัจจัยอยู่ในที่นี้การเกิดการเกิดตายการแตกกันดี๋พระพุทธเจาว่ามันเป็นทุกขท่านหสายสาวไปหาเหห้ต้นตอมัน ให้ให้ให้อ่าน่านนะครับดับต้นตอมันทำลายต้นตอมไม่ให้มันเกิดก็จะจดแล้วนี <is> ่นี่มันพวกเรามันไปแก้ป้ายเหยียป้ายเหยีแก้ตรงไหนล่ะตรงมาเป็นมนุษย์เรานั้นแก้ป้ายเหยียดอะไรจะแก้ถ้าเป็นมนุษย์แลเราผ้าเนี่ก็แก้ทุกอาหารการบินก็โพษแก้ทุกที่อยู่ว่าศัยก็แก้ทุกยาบรราสมรภูมิก็แก้ทุกอหาทางป้องกัน มาสร้างลรงพยาพบาลโรงพยาบา ล, รบา ล, รบาลสร้างอยู่ข้างยากันมามาแ ก, ก้แก้มันก็ไม่จบเพราะมันทุกมันฝังอยู่ในดวกิตดวงใจกวงจิตอยู่ในดวกิตดวงใจเมื่อแต่ตาเมล็ดขันลงไปจิตใจไม่ยังยินยินดีเพราะใจอยู่กับร่างกายเรื่องอย่างนี้มันมันตีกับยนอนก็บมะเกิดอยู่เมื่อมะเกิดก็จตั้งต้นแรกเข้าปฏิทินเกิดชาติผี่ทุกขาชาาผีทุกขาทุกไปโดยลําดับทุกประจำํำทั้งหมดเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปแล้ว ข อ, องดีที่สุดหรือทุกต่อให้มันทุกมากเมื่อมันทุกมากเมื่อพนกับไปเมื่อมันไล่ไปหาเหตุหาต้นตอนมันทุก อ, อะไรทุพกพกุพกเพราะมันมีกายถ้าไม่มีกายทุกมีถ้าไม่เห็นชัดเจนนี้เท้าทางทิ่ใครยถ้ถามันจะทิ้งได้ถ้าทิ้งได้กัดจบถ้าทิ้งไม่ได้ดบบกูแบกจะดีลเละเพราะฉะนั้น่าขันห้าลูกลูกลูกก น, นัเวทนากนัก ธัญญาโกหนักสังขารโกหนักพิญญาโกหนักมิตรนับตำหนักนเพรเห็นว่าพะราหาเวมันชัดขันธาขันธทั้งห้าเป็นพราอันนักพาราฮาโวแตป่ปุคารโลผู้คนใดมามาแบกมหามันมาตีศรคนเป็นทุกข์ในโลกพาราในเขปรังสุขงังมิชิวิตตบ า, าพารุพารังอัญญพาังนอนา น, านยสมุรันตระหนักอูก้านิสโตบาีนุนโตผู้ใดมาว่าขันธ์้าได้ทั้งหมดจไม่มีอะไรตกข้ามอยู่ในแจิตใจนี่จ ะ, ะทุกขกับทุกข์นานเท่นมั งานสรุปเล่นอยากบรรทุกขัากันอยากบรทุกขับบางสูงในโลกอยากผสมขับบางสูงในรักสูงครงนี้ของมีประจำโลกมนุษย์สม ก, กับพอสูงทุกต้งสองเมื่อระสูงระทุบเล่น ไ, ไม่ใช่ปองไม่สมองคุณพ่อส่วนิรันทรับเอวบังก็มีด้วยปัป๊บปาและสินี